จนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรรุอรหัตผลที่มีปัญญิีสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรุอรหัตผลกลายเป็นปัญญาวิมุตห้ 5. กายสัตขีผู้เป็นปยญญด้วยนามกายหรือผู้ประจักษ์กับตัวได้แก่ผู้ที่ได้สัมผัสวิโมกแปดด้วยกายและอาสวะบางส่วนก็สิ้นไปเพราะเห็นอริยสัตด้วยปัญญา หมายถึงผู้บรรลุโสดาปติผลแล้วขึ้นไปจนถึงผู้ปฏิบัติเพื่อบรุอราตผลที่มีสมาธิสีแรงกล้าท่านผู้นี้ถ้าบรรลุอราตผลกลายเป็นอุปโตภากาวิมุตตข้อขอพระอเสขะหรืออนุปาทิเสสาบุคคลนับต่อจากพระเสขะหรือสอุปาทิเสสาบุคคลเป็นลำดับที่6ปัญญาวิมุต ผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาได้แก่ท่านผู้มิได้สัมผัสวิโมกข์แปด้วยกายแต่อาสวะทั้งหลายสิ้นไปแล้วเพราะเห็นอรยิยสัจด้วยปัญญาหมายถึงพระอรหันต์ผู้บำเพ็ญวิปัสสนาเป็นตัวนํามาโดยตลอดจนสําเร็จอุปโตภาควิมุตตผู้หลุดพ้นทั้งสองส่วนได้แก่ท่านผู้ได้สัมผัสวิโมกข์แปดด้วยกายและอาสวะทั้งหลายก็สิ้นไปแล้วเพราะเห็นอรยิยสัจด้วยปัญญา หมายถึงพระอาหารหันต์ผู้บำเพ็ญสมถะมาเป็นอย่างมากก่อนแล้วจึงใช้สมถะนั้นเป็นฐานบำเพ็ญวิปัสสนาต่อจนสำเร็จเพื่อให้มองเห็นชัดเจนขึ้นจะแสดงทักกินันหรืออริยบุคคลเจนั้นโดยสัมพันธ์กับอินสีที่แรงกล้าและการสัมผัสวิโมกพร้อมทั้งเทียบกับทักกินัยบุคคลในชุดแรกไ้ด้วยดังแผนภูมิที่7ทัสหมายเหตุ การุณาดูแผนภูมิที่ 7-3 ทัสประกอบด้วยถ้าแสดงให้เห็นลำดับต่อเนื่องกันก็จะได้ดังในแผนภูมิที่ 7-4 ทัหมายเหตุการุณาดูแผนภูมิที่ 7-4 ทัประกอบด้วยเรื่องทักคือในยบุคคลหรืออริยบุคคลที่แสดงในตารางหรือแผนผังมีข้อที่ผึงทราบเป็นจุดสังเกต ด, ดังนี้จุดสังเกตข้อที่หนึ่ง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 เป็นการหลุดพ้นสองวาระคือด้วยวิขำพณะข่มกิเลสไว้ด้วยกําลังสมาธิของฌาน ห, หนึ่งและด้วยสมุดเฉดตัดกิเลสถอนรากเหง้าเด็ดขาดด้วยปัญญาอีก ห, หนึ่งพระอุปโตภาควิมุตนี้ถ้าได้วิชาสามคือวิชาสองและอาสวักยายานเรียกว่าเป็นเตวิชาถ้าได้อภิญญาหก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 ระดึกชาติไม่ได้และไม่มีทิประจักขุคือไม่มีตาทิพย์แต่ว่าตามหลักย่อมเป็นปฏิสัมพิทัพปัตตาได้คือเป็นผู้วรรลุ ป, ปฏิสัมพิทา4ีได้ความที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปสาระสำคัญโดยแสดงเป็นแผนภูมิไว้ในที่นี้ดังต่อไปนี้ก็กาะแผนภูมิที่7ทับหสรุปตามบาลีโดยอาศัยอัตถกถาดีกา เพียงเพื่อเชื่อมความหมายเหตุกรรนาดูแผนภูมิที่เจ็ดทับประกอบด้วยแผนภูมิที่เจ็ดทับหกสรุปตามบาลีอัตถกถาและดีกาหมายเหตุกรรนาดูแผนภูมิที่เจ็ดทับหกประกอบด้วย